มาจากทีไหนกันกรุงเทพครับเคยมาือเป่ะเคยมาครับเคยมาเลยอันนี้ตั้งใจจะมาทําไรหรอเปล่าตั้งใจมาวัดเลยครับมาวัดเพื่ออะไรพาิงแม่แต่งไม่เคยมาามากราบครับอืมที่วัดก็มีแต่ธรรมะคาสอนของพระพุตเจ้าสอนเพื่อให้เอาไปปฏิบัต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 คิดไปในทางที่ดีหรือไม่เช่นั้นก็ให้หยุดคิดถ้าคิดไปในทางที่ดีไม่ได้ก็หยุดคิดก่อนเช่นถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปแล้วไม่สบายใจก็หยุดคิดถ้าหยุดคิดแล้วเราก็จะหายจากความไม่สบายใจชั่วคราวแต่พอเรากลับไปคิดใหม่เราก็จะไม่สบายใจใหม่ แต่ถ้าเรารู้จักคิดคิดให้สบายใจเราก็จ ะ, ะไม่ต้องหยุดคิดก็ได้ให้คิดไปในทางที่จะทำให้เราสบายใจความคิดของเราที่เร า, เราทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราคิดไปในทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างนี้แต่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้น พอความจริงกับความอยากของเราไม่เหมือนกันเราก็ไม่สบายใจเช่นอยากให้ลูกเราดีอยากให้ลูกเราอยู่ในโอวาทของเราพอเขาไม่ดีหรือเขาไม่อยู่ในโอวาทของเราเราก็ไม่สบายใจถ้าเราอยากจะหายจากความไม่สบายใจก็อย่าไปอย่าไปอยากให้เขาอดีอย่าไปอยากให้เขา อ, อยู่ในโอวาทของเราด้วย อ, อย่าไปคิดถึงเขาเียนพอคิดถึงเขาที่ไรก็ไม่สบายใจทุกทีเราก็ดึงใจกลับมาอย่าไปคิดถึงเขาคิดเรื่องอื่นเช่นให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือคิดอยู่กับการสวดมนต์ไปบทสวดมนต์ถ้าเราสวดไปพุทธโธไปเราก็จะไม่ไปคิดถึงเขา พอเราไม่คิดถึงเขาเราก็ความไม่สบายใจก็จะหายไปอแต่อันนี้หายแบบชั่วคราวหายแบบเดี๋ยวพอเราไปคิดถึงเขาอีกเราก็จะไม่สบายใจอีกเพระคิดถึงเขาที่ไรก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะให้คิดถึงเขาแล้วสบายใจก็ต้องคิดตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้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 เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาเวลาที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นอันนั้นเป็นเพียงการฝึกขัด่ในแนวปฏิบัตินี้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเวลารถวิ่งนี้เราต้องคอยเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีเบรกคอยเบรครถยนต์เวลารถมันจะออกนอกลู่นอกทางเราก็เหยียบเบรกซะ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 ถ้าไม่มี break, เบรกเนี๋ยวมันก็ต้องแหกโค้งเพราะมันหักเข้าโค้งไม่ได้ความเร็วมันสูงถ้าหักเข้าโค้งมันก็พลิกคว่ำเองใจของเราก็เหมือนกันใจเราเหมือนรถวิ่งลงเขามันมีความอยากคอยเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่มีเบรกมีแต่คันเร่ง ความอยากของเรานี่แหละเป็นเหมือนคันคันเร่งที่จะทำให้ใจของเรานี้วิ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วพอจะจะปะถึงทางโค้งก็ก็เลี้วหักเข้าโค้งไม่ได้ต้องแหกโค้งไปหรือเวลาถึงสี่แยกก็หยุดไม่ได้ก็ต้องพุ่งไปชนกับรถของคันอื่นที่เรามีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ก็เพราะเราไม่มีเบรกกัน พมาถึงสียกก็ชนกันเราคิดอย่างหนึ่งเราคิดอย่างหนึ่งเขาอยากจะทำอย่างนั้นเราอยากให้เขาทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปคนละทางกันละมันก็จะชนกันชนกันแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความเสียใจขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปทาให้ต้องมีเรื่องมีราวกันมีปัญหาต่อกันนี่คือ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 ก็เลยสั่งให้ร่างกายมาวัดแต่ร่างกายที่รับใช้ใจ่ายนี้มันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดแล้วพอตายไปจใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเป็นไปเปลี่ยนคนรับใช้ใหม่ไปเกิดใหม่อย่างเมื่อเล้าออกมาจากท้องแม่เนี่ก็ได้คนรับใช้คนใหม่นะได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็มาสอนร่างกายอันใหม่คนรับใช้ใหม่ให้ ให้รู้จักเดินรู้จักทําอะไรต่างๆเพื่อต่อไปเราจะได้ใช้ให้เขาทําอะไรต่ามที่เราอยากให้เขาทาได้เนี่ยเราก็ทําอย่างนี้กับร่างกายมาเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆเพราะเรายังทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องอาศัยร่างกายอาไปทําอะไรต่างๆเพื่อเรามีความสุขแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านฉลาด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 หรือเวลาร่างกายแก่หรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้พอหาไม่ได้เราก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องทุกข์กันวิธีที่หาความสุขโดยที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์เพราะเราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกาย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 แบบนี้ได้ดังนันความสุขแบบนี้จึงเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนแล้วก็จะต้องเกิดวันที่เราจะไม่สามารถหามันได้เวลาไม่ได้มันก็จะทําให้เราไม่สบายใจทุกใจกันแต่ความสุขที่เราได้จากการหยุดความคิดนี้พอเราทําได้แล้วเราก็จะทําได้เรื่อย แล้วก็จะอยู่กับเราเพราะมันมันเป็นความสุขที่ไม่ตายเหมือนร่างกายใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไ ม, ไมีไม่ตายของต่างๆในโลกนี้มีเสื่อมมีเปลี่ยนแปลงมีมีหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องพังต้องหมดไปแต่ใจนี้ไม่มีวันหมด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 สวดพุทสวดมนต์ไปทั้งบนทั้งมนต์ไปเพราะมนต์นี้จะไม่มีความหมายที่จะทําให้เราเกิดความวิตกกังวลเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาสวดมนต์ไปถ้ายังอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ได้ก็เราสวดอัลหังสมาสวากขาโตสุปฏิปโนไปถ้าท่องประสูตรได้ยิ่งดีสวดสวดปฐมมัจจสวดป สติปฐานสตรเนี่ยมันยาวสวดไปแล้วก็ใจก็จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆกับเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีสำหรับพระที่บวชนี่ท่านก็สอนให้หัดท่องปาิโมกข์กันปาติโมกข์ก็คือสีลสองร้อยิบเจ็ดข้อท่องท่องสองร้ยิบเจ็ดข้อ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 ข้อของพระแต่ไม่ได้สวดทุกองค์ให้ให้ให้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สวดเป็นเหมือนผู้แสดงธรรมแสดงศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อส่วนพระรูปอื่นก็นั่งฟังเพื่อเป็นการทบทวนศีลที่พระจะต้องรักษาเหมือนกยายอยัาติโยมทุกวันพระก็มาวัดเพื่อมาทบทวนศีลกันมาสมาทานศีลห้าศีลแปดกัน เพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องรักษาศีลกันเพราะศีลจะช่วยทำให้การกระทาของเรานี้ไม่มีปัญหานั่นเองไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆนี่ก็คือเรื่องของการฝึกหัดควบคุมความคิดถ้าเราอยู่กับพุทโธได้ก็ท่องพุทโธไปเลยลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ท่องพุทโธไป ไม่ว่าเราทำอะไรก็พุโทโธไปน้างหน้าก็พุโทโธไปแปลงฟันก็พุโทโธไปหวีผ้าหวีผมทํากับข้าวกินอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเ พ, เอเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากไปคิดอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดึงมันกลับมาให้อยู่กับพุโทโธดีกว่า ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเนเรื่องงานการที่เราต้องทำเราวันนี้มีงานต้องทำไปทาอะไรก็คิดได้วางแผนเตรียมตัวได้แล้วก็ไปทำแต่อย่าไปคิดเพ้อเจ้อว่าจะต้องทำให้สำเร็จจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ต้องดูความจริงไปทำไปแล้วผลมันเป็นยังไงก็รับผลนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น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 สู้มาหยุดความคิดดีกว่าหยุดความคิดแล้วก็มีความสบายใจพอ ม, มีความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องหาลาบยศสารเสริญไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้อันนี้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าวิธีของพวกเราต้องมีลาบยศสารเสริญ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 พอเราต้องมาใช้มือซ้ายมันก็จะไม่ถนัดเนี่ยแต่ถ้าเราหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดใช้มือซ้ายได้คนที่เขาถนัดมือขวาแต่มือขวาเขาเสียไปเขาก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายแลวพอเขาหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใช้ได้มือขวามือซ้ายมันไม่ต่างกันอะนั้นคนถนัดซ้ายก็จะทำไมก็ใช้มือซ้ายถนัดกว่ามือขวา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 เป็นคนที่เป็นอมตพฤกเป็นอมภะผ้านี้เขาไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แต่ถ้าเขารู้จักใช้ใจหาความสุขได้เขาก็ไม่เดือดร้อนครูบาอาจารย์บางรูปีนท่านเป็นอมตพฤกษ์อมภะผ้าแต่ท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายท่านใช้ใจหาความสุขได้ท่านนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่ท่านไม่ทุกข์เลยใจท่านมีความสุข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 แล้วก um ็สอนใจให้ฉลาดสอนใจว่าต hmm. like, ่อไปนี้เลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆเวลาอยากจะดูอะไรก็อย่าดูเวลาอยากจะฟังอะไรก็อย่าฟังอย่าใช้ร่างกายหาความสุขเวลาอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าแล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกาย ร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหนันต์ในร่างกายคนงท่านตายไปท่านก็ไม่กลับมามีใหม่แล้วอเมื่อก่อนท่านก็กลับมา ม, มามีใหม่เหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าก็เกิดมาไม่รู้ปีล้านชาติแล้วแต่หลังหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นคว้าความจริงเอก็ได้ทรงค้นพบวิธีที่ไม่ต้องใช้ร่างกายให้ความสุขอย่วิธีอ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 รู้สิ่งต่างๆที่เราต้องการให้ความสุขกับเราไม่สามารถตอบสนองเราได้เราก็จะทุกข์กันเห็นมาอาจใช้วิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมามาฝึกควบคุมความคิดกันมาติดเบรให้กับใจมาสร้างสติ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 รถสตาร์ทไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้รถจอดมันทิ้งไว้เฉยๆ <c oughs> เพราะเราไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านเราสามารถหาความสุขในบ้านได้ <c oughs> เราก็ไม่ต้องใช้รถยนต์พาเราไปตามสถานที่ต่างๆร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์พาเราไปหาความสุขต่างๆแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขภายในใจเราได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแล้ว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 ที่เราอยู่บ้านไม่ติดกันก็เพราะเราไม่มีความสุขในใจเลยต้องออกหาความสุขข้างนอกบ้านกันลองใช้ร่างกายพาไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วลองมาหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสั่งสอนบ้างมันก็ไม่ได้เป็นเสื่เรื่องสุดวิสัยทุกคนทําได้เพียงแต่ว่าต้อง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 การหัดพูดโธพุทธโธใหม่ๆมันก็จะยากเพราะมันไม่ชอบพุทธโธมันจะชอบคิดแต่พอเราฝืนบังคับมันให้พุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือให้สวดมนต์ไปเรื่อยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชำนานขึ้นมาเองแล้วต่อไปมันก็จะพุทธโธได้จะสวดมนต์ได้นั่งเฉยๆนั่งทำใจให้สงบไม่คิดเรื่องอะไรได้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 ยถาวาริวาหาปุราริกปุริติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติอิจิตังปฏิตังลุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุริตุสังกปา ยันโทปันะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจวุตฏอาปจายโนจตารุธรรมาวทานติ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 เขาได้นังสือธรรมะไปอ่านไหมยังภาษาอังกฤษไม่มีเหลอเขาอ่านภาษาอังกฤษได้ปเปล่เอาไหมล่ะภาษาอังกฤษ่ะจะลองไปอ่านดูมไหม From Germany yes Good day we have German monk here One monk from Germany. Yeah. He lives up here. He can, you can have them. This is for free. Give of Dhamma. Whoever yeah. okay, has a question, want h o ask, can ask. e just said. If you don't understand. Okay. เ อ, อคนสุรังสีสุลังนั่งเฉยๆแล้วต้องใจใจต้องหยุดคิดด้วยถึงจะดีถ้านั่งเรายังปล่อยให้ใจคิดมันก็ยัง้ม่สมควรเขามีคำถามแล้วเขาบอกไม่สมควรจะไปถามเพราะว่าถ้าถามอาจารย์ก็จะบอกว่าสังขารไม่แลนานๆอยากจะเป็นดิงสักที <c oughs> อาจารย์คมดีนเดี๋วเดี๋ยวหล่นตอรอยากจะเป็นลิงบ้างไม่เป็นตะคิวเหน็บชาไม่เป็นไรหละมันตะคิวมันไ่เดจเป็นวดวอยู่ตรงนี้ต่อหน้าจอไม่สวเมื่อป็นต่างกายนะคะมันก็เหมือนกับทุกคนใช่คะเหมือนกันฮะมันกบเป็นรถไม่เป็นก็ไม่ได้หรอกทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็น ครูบาอาจารย์ทุกองคทั้งก็เป็นทั้งนั้นครูบาอาจารย์ไม่บทท่นพวกเรานะเอะท่านก็อยู่กับมันไปดูแลมันไปก็มีมีมันมีเราก็มีเราเราเป็นลูกศิษย์เราเอง <c oughs> <c oughs> เราเป็นลูกศิษย์เราเอง <c oughs> <c oughs> ลูกศิษย์มีห้านิ้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ยังยังเถึกหยุดไม่ยังไม่ยอมหา้ยังไปอ่ามันก็ขึ้นมาคังกระเสนภาษาอยู่ยก็ช่างมันหยุดหยุดคิดด้วยเสียเวลาหยคิดหยุดร่างกายแล้วก็หยุดใจต่อตบางทีมันก็อย่างว่านะยอมจะเป็นคารวาวาอยู่เพราะว่าบางทีเขาไปถึงปลา ย, ยมันก็ไปถึงอุ้งเก บางทีมันก็ไปแค่เสียมราฐบางทีก็ไปเชียงใหม่ช่วงนี้ไมยบางทีแค่แค่อุตภารพอพอขึ้นแล้วก็ให้ลงไปเลยว่าไะพูดห้าพูดติดต่อช่งนี่ยมยายาได้เลยอเอาลงเอาลงมาต่อได้ ดีนะฮะพายให้พวกที่เคยเป็นลิงลิงมาก่อนเนี่ยมันนั่งลงไปเชิญไม่ทําอะไรเนี่ยสนุกดีนะฮะหนังละครอย่างนี้ไม่ไม่ดีไม่ั้งดูก็ได้อันขนาดนี้นะฮะซื้อไปยังไงคุณชายคุณชายเองก็ยังไม่ดูของเรานี่เริ่มดูนปแล้วก็เป็นจอดำอยู่แล้วอ่ะเห็นแล้วลำคาดีนี้ไม่มีอะไรดูเลยี่เฉย เอาไปเบยจา ก, ก็ได้ก็มีแต่หลับตาเนหะ็นแต่ม่านตารางทีก็มีสีสั น, นให้ดูสนุกกว่านะใ ห, ห, ให้ให้มันว่างดีกว่ า, วาให้มันสงบไม่คิดอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความสุขเ อ, อ, อันนั้นดีที่สุดให้มันมีอุบเบกขามันอิ่มลดความอยาก น, นะ มันสงบแล้วมันหายอยากเหมนมันตอนนั้นมันอิ่มมันพอแต่พอออกมามันพอเห็นอะไรมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าก็อยากอยากแล้วไม่มีวันจบเผื่ใจดีกว่าอย่าไปทาตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทำตามมันเดี๋ยวมันก็ไม่อยากได้ พอออกมาเห็นกาแฟาอยากจะดื่มก็ไม่ดืม่มหมดไปสักคั้หนึ่งฝืนไปสักคั้งนึ่งเดี๋ยวก็จชิมแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยอังนี้นคนก็จะเลือกได้ไงคนที่เขาติดนั่นติดนี่เขาเลือกได้เลยเพราะเขาไม่ทําตามความอยากเขาท่านั้นแล้วสบายต่อไปอยู่ที่เฉย <c oughs> ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่มีกาแฟาก็ไม่เดือดร้อน ถ้าต้องดื่มกาแฟมันก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็เดือดร้อนความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟมากี่ร้อยแก้วมันก็หายไปหมดแล้วมีมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มนมันจะต้องมีวันที่จะต้องเจอวันที่ไม่ได้ดื่มครับสักวันหนึง่งนี่ก็เอาวันเอาเอามันวันนี้เลยเป็นไงอย่าไปดื่มมันเลย พอพอหยุดมันได้ไม่กี่ครั้งมันก็มันก็จะไม่มารบกวนใจเราแล้วเราก็อยู่เฉย <c oughs> ๆ, ๆได้ก็มีที่ความตั้งใจก่อนก็ตั้งใจแล้วก็ฝืนใจ <c oughs> ไม่ทําตาม <c oughs> ความอยากไม่ทําตามไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังไปเหมือ <c oughs> นกับไฟที่มันไหม้อยู่นี่ถ้าเราไม่โยนฟืนเข้าไปในกองไฟ <c oughs> เดี๋ยวเอ <c oughs> ฟืนเก่าที่อยู่ในไฟเดี๋ยวมันก็ดับไป อมันไหม้หมดแล้วมันก็หมดไปแต่ถ้าเราคอยโยนฟืนเข้าไปอยู่เรื่อยๆมันก็ไหม้ไปอยู่เรื่อยๆการทำตามความอยากก็เหมือนกับไปเพิ่มความอยากเพิ่มกองไฟให้มันไหม้ไปเรื่อยๆกองไฟก็คือความไม่สบายใจความหงุดหงิดตำคานใจนก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับไฟโอไฟโอลิมปิก ไม่เอาในปีก็ยังมีดับเนี่ยพอเขาแคแข่ง ก, กันเสร็จเขาก็ดับไฟแล้วเนี่ยเราจะมาจุดอีกทีก็อีกสี่ปีนู่นนะแต่ไฟของเราไฟอยากของเรานี่มันตลอดเวลาพอเลือนตาขึ้นมาก็อยากมาเนี่ยอยากจะดูว่าความอยากมันทํางานไม่ทํางานลองนั่งเฉยๆดูว่าแล้วดูซิว่ามันมันจะโผล่มากี่ตัวเดี๋ยวก็อยากรู้ก่อนลนะพอนั่งนี้ก็อยากจะลูก พอรู้แล้วก็อยากจะไปทํานู่น <c oughs> ทํานี่นะเ <c oughs> ให้วิธีต่อสู้กับความอยาก <c oughs> แบบห ย, ยาบๆก็คือให้นั่งเฉยๆให้นั่งอยู่กับที่นั่งสบายๆไม่ยังไม่ต้องทรมานร่างกายเี่ยให้ร่างกายสบายเป็นแต่ต้องการทรมานใจทรมานความอยากไม่ให้มันพาร่างกายไปนู่นมานี่ไปทํานู่นทํานี่ แล้วสู้ก็เันไปเดี๋ยวความอยากมันก็อ่อนกําลังลงไปเองแล้วต่อไปเราจะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆก็สบายไม่มีอะไรทําก็ไม่หนกดเหงยดเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีอะไรทํำนี่ห ง, งุดหงิดต้องแต่ต้องปิดปิดโทรศัพท์หมดนะฮะอ่าก็ต้องปิดทุกอย่างนะครับใช่ไม่ก็เลยนั่งอยู่โทรศัพท์มาเขลืมปิดโอ้โหมัน อ, อะไรนี่เไม่ถึงเรืง ต้องต้องแบบอยู่อย่างส ง, งบจริงๆอย่างอยูอย่ยในป่าแต่ในป่านี่ก็ยังมีเสียงเริงเสียงข้างมาอะไรว่าเออไม่เป็นปัญหาแล้วแต่แล้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่ามี เ, มเสียงนิดที่โทรมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งกวนใจอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เจียบเนี่ยก็ลเลยเปิดปนตามที่เขาพูดไปไม่เราต้องติดมันเลยใช่ก็ให้สําดวมอนซีไงตาโฟจะบมุนเล่งกายไม่ให้รับรู้รูปเสียงกลิ่นเลยก็เลยเอนซีสังวรค่ะ ผู้ที่จดึงใจให้เข้าข้างในได้ต้องปิดทวารทั้งห้าพรามันเป็นทางเข้าออกของของใจใจมันจะถูกกิเลสดึงออกไปทางตาหูจ ม, มูกนิ้วกายแต่ถ้าเราปิดรูปที่ใจอยากจะดูออกไปดูก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขานมันดูมันก็มันก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดความอยากอะไรขึ้นมา ถ้าไปดูทีวีไปดูอะไรเสื้อผ้าไปดูช้อปปิ้งอยนี้ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องพยายามทําไปเถือดฝืนไปใหม่ๆมันก็รู้สึกยากหน่อยทรมานใจหน่อยพอเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี่แหมมันแสนจะทรมานใจอยู่มานานแล้วนะแต่พอมันสงบตัวเมื่อไหร่ความทรมานใจนั้นก็จะหายไป เราจะรู้สึกเบาสบายอกสบายใจเจ็ดปีก็คงไม่เหลือทาทุกวันเจ็ดวันก็ได้เจ็ดปีทำห่งเจ็ดปีละเจ็ดวันนี้สิจะสั้าไปที่ยังเอออยากจะได้เร็วๆที่อยนี้ไม่อยากได้เร็วๆ สร้างบงสร้างบ้าน ย, ายังใหญ่เขาสร้างเร็วๆเลยของอย่างอื่นนี่อยากให้เร็วเหมืดพอเจอทำบมานนี่แมะเมื่ออยากได้เร็วพอที่ถ้าเกิดเพื่อไปเป็นวิชาในในภาวิทยาลัยนะฮะสงแสนเชิมหาคนจบยากนะวิชาเนี้ยยากที่สุดในโลกไหวิชานี้ยอืวิชาอื่นนี่จะเรียนมันก็มุ่งมั่นทําได้ น, นะฮะมันเป็น มันเป็นวิชาชนิดแบบจำได้อันบว่าคำนี้นี้นะใวารนี้อะวิชาที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยฮ ะ, ะให้เป็นยาเอกมาทำเนะะี่ยฮะก็แทบลองไห้เลยมไม่ถึงสักทีคนยิ่งมีป็ญญาสูงยิ่งทำยากเพราะรู้มากนะอนคนป่ า, าคนเขานี่แต่ศีรษานี่ง่ายกว่า หลวงปู่มันสอนชาวเขาท่านเดินจงกรมอยู่ชาวเขาถามว่าหลวงปู่หาอะไรหาพุทโธเว้ยตัวผมช่วยหาได้ไหมได้ทํายังไงบ่กพุทโธพุทโธไปเดินไปก็พุทโธพุทโธอ่มันก็ช่วยหาให้นล้นก็พุทโธพุทโธไปมันก็ภาวนาเป็นอย่ไงจิตเขาบริสุทธิ์นะจิตเขาแบบธรรมดาก็ไม่บริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเขาไม่มีกิเลสมามห้อมล้อมไม่มีมีมานะด้วย เ่าก็เลยว่านอนสอนง่ายเป็นการสอนธรรมะนี่สอนให้คนที่ไม่ฉลาดดีกว่าคนที่ฉลาดแล้วนี่มันมันรู้สึกว่ามีต่อต้าน อ, อ่ต่อต้านมีความเห็ น, เ, นเหมือนกับเวลาที่เราจะเทน้ำชาเข้าไปในถ้วยนีย่ถ้าเขามีน้ำชาเก่าอยู่ในถ้วยนี่ เทเข้าไปมันก็เทไม่ได้เขต้องเทน้ําชาเก่าเขาทิ้งก่อน ถ, <ด>ออถึงจะถึงจะรับน้ําชาใหม่ได้คนที่มีความรู้ต่างๆนี่ต้องเทความรู้ต่างๆเก่าๆนี้ออกไปให้หมดเลยล้างมันออกไปให้หมดถ้าเป็นเครื่องคอมก็ดีลิทมันหมดเลยตามรู้ว่นจะได้เอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปได้ นี่มันจะไม่มีที่ไงมันไม่มีที่เข้าพราใจของคนที่มีความรู้มากๆนี่มันมีความรู้อยู่ตลอดเวลามันพอจเจวความรู้ใหม่นี้มันไม่ยอมรับพิสูจน์มาก่อน <c oughs> ว่าจริงไม่จริงทางจิตศิษยแบบวิทยาศาสตร์นีอ <c oughs> แต่ของอย่า ง, อ ย, างอย่างนี้มันพิสูจน์ไม่ค่อยได้ถ้ต้องท <c oughs> อําก็เป็นสมาธิธ่าน โยมโยมเนี่ ย, ยตอนนี้ไม่ใช่เชื่อหศรนะัทธาแล้วศรัทธาก็ก่อนหรือว่าเชื่อมาแล้วแล้วเรื่องจิตจิตกัเอ่อมายด์แมทเทอร์ atter, จิตจิตกับร่างเนี่ย ม, มันยากกันอืเพราะว่าไม่ใช่เชื่อนะฮะว่าตพระพุทธเจ้าสอนี้เหรือว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็แบบเพศประชานปากเปลียนปากปกฉีดอนะไรเงแต่ว่าโยมเป็นคนนั่งแล้วเนี่ยนะอื รู้สึกว่ามันขยับขยับในนี้อของตัวเองอ<ช>ขยับใช่ไหมไม่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่ง น, นั่นเป็นช้างตัวเนี้ยเป็นอะไรนะมันไม่อยู่ด้วยกันงั้นถ้าเผื่เราไม่มีนั่งเองอเราได้แค่อ่านหนังสือเราฟังฟังแล้วก็จะแบบเออจริงเหรอเออมันก็แค่ท่องจำํำแต่ถ้ารอมาปฏิบัติเองนะมันก็เป็นอย่างนี้นทุกทีที่นั่งมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะอืม หรือว่าใจเป็นอย่างร่างกายเป็นอย่างเเมื่อก่อนนี้มันชอบไปด้วยการทําอะไรคู่กันไปไม่รู้ไม่รู้สึกเลยก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันนี่พอเรามานั่งเฉยๆมันจะเริ่มแยก อ, ออกจากกันแล้วพอเราจะให้ร่างกายมันอยู่เฉ ย, ยแต่ใจมันไม่ยอมเฉยกับร่างกายแล้วเนี่ก็ต้องปฏิบัติเองสันทิติโกคําพระธรรมคาสอนพระเจ้าทัานบอกเป็นสันทติโก ผู้ปฏิบัติถึงจะรู้เห็นได้ถ้าไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู้ไม่เห็นเพราะการได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นเพียงเป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะต้องนําไปปฏิบัติถึงจะเห็นอาหารเนี่ยอร่อยขนาดไหนก็ถ้ายังไม่ได้ชิมก็ยังไม่รู้ว่ามันอร่อยอยังไงต้องชิมดูถึงจะรู้ ธรรมะของพระเจ้าก็เหมือนกันลถแห่งธรรมชนะรถทางปวงเป็นยังไง mm. ก็ยังจะไม่รู้จนกว่าจะเอาไปปฏิบัติลองไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วก็จะเห็นลถแห่งธรรมโผล่ขึ้นมาเองพอได้สัมผัสแล้วก็จะไม่อยากได้ลถอย่างอื่นแล้วรถของรูปเสียงกลิ่นรดนี่ไม่เอาและวเอารถแห่งธรรมดีกว่า mm. มเมื่อก่อนจะเค ย, mm. เ, คยเคยคิดไหมว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆหกชั่วโมงเนี่ย ได้ามาคิดก็คือเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็นั่งอยู่เฉยทำไมได้อะไรมีแต่ต้องไปนู่นมานี่ต้องทํานู่นทํานี่ถึงจ <มา S 1> ะงได้จะร้องอะไรนั่งในเครื่องนั่งในเครื่องบินนี่นะคะสิบสองชั่วโมงเป <c oughs> ็นตรงเนี่นะคะรู้อากไปห้องน้ำ อ, อยู่เรื่อยอย่างที่ยังไมไ่เข้าหรอก <c oughs> เดินไปเดินมาเพราะแอร์เขจะบ้าเขาบันนี้คนที่เดินอยู่นั่นแหละดีนะเดินไปเดินไม่ได้นะเไอ มันอึดอัดเ น, นี่น อ, อถ้ารังหยุดความคิดได้ทําใจสงบได้ก็หายอึดอัดเนี่ยก็เพราะว่าอะไรมาอยู่นี่เข้าใจแล้วอ่ะว่าที่นั่งนานๆไม่ได้เพราะเราไม่มีพุทโธเดี๋ยวมาคิดถึ ง, งนะเออถึงเมื่อยกี่ชั่วโมงแล้วหรือไปเดินโดนแล้วหิวน้ําเำ๋ยวเข้าวห้องนะ่ะนี้ถ้าเกิดเรามีพุทโธตอนนั้นเราไม่มีพุทโธนั่งเคลื่อนเลยนะใจมันก็วอกแวก พอเรานั่งเฉยเนี่ยแล้วก็พุทโธหลับตาหมดทุกอย่างปิดหมดทุกอย่างเลยมันมีคิดแม้กระทั่ง อ, อะไรนะออดีตอนาคตก็มีแตป่ปัจจุบันว่าพุทโธเนี่ยมันก็จะปิดคุมมันก็เลยนั่งนานได้นะอะอควบคุมความคิดความอยากเนี่ยพอมันคิดมันก็อยากอยากให้ถึงเร็วๆอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆ เ, เนี่ มาไม่ทํา น, นักค <Yeah. S 1> าอาจารย์เพราะว่าเนี่ยโยมโยมแค่แค่พลายไปไปไหนเปียเสียงราบค่ะเอสร็จปะ ก, ก็บ <c oughs> ว่ากรณีว่าลืมตาขึ้นมาป้ายตายบ่ายโมงบายโมงสนะิบห้านักไว้เออโยมเนี่ยแทบจะเป็นลมตายก็จะนุ่งเสื้อเสเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรมันมีความสุขกับการนั่งนะฮะ uh. แเวลา<ะ>มันผ่านไปเร็วนะถึงจะแค่ชั่วโมงอะไรน ะ, ะปั๊บเดียวอ่านั่นแหละก็ะนั่งบ่อยๆพยายามนั่งบ่อยๆให้สงบบ่อยๆนานๆแล้วต่อไปก็จะได้สู้กับความอยากได้ นี่ขยาบยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ตบเบาตบเฉวแล้วมันยังสบายนะฮะก็ต้องไปตบเบาตบเฉวที่อยากจะถึงสักทีนะเพราะว่าไม่ใหญ่ละไม่อยากอยับพิสูจน์ว่าออว่าไอ้ตรงที่อาจารย์บอกว่าถึงอัปนาเนี่ยฮะออมันจะสุกกว่าชนิดกับธรรมดาแค่ไหนออก็เลยต้องตั้งมั่นว่าจะต้องถึงสักทีตั้งใจก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยววันใด ว, วันหนึ่งมันก็ถึงเองนะพราะจะพุมันหล่นออย่าไปอยากก็แล้วกันกนั่งไปเรื่อย นั่งให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันเข้าช่องของมันปั๊บมันก็วุบเข้าไปเองนะถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็นั่งแบบนี้ไปก่อน อ, อ่าอย่างดีก็ไม่นั่ง ต, ต้องนั่งทุกวันอ่าวลนั่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอะไรด้วยใช่ไมโอเคเนะดีขึ้นเยะอะค่ะมอบแวกเลยอ่า อ, อืมก็ทำไปเรื่อยๆ้วเดี๋ยวสติมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไป แลกิเลสมันก็จะมีกําลังอ่อนลงไปแล้วมันก็จะเข้าไปได้ลึกเข้าไปได้ลึกขึ้นเรื่อยๆนี่มันมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสติกับกิเลสเองกิเลสอยากจะดึงใจออกข้างนอกอยากจะดึงใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สติก็ดึงมันกลับเข้าไปข้างในอล้มันเข้าไปที่ฐานของจิตนะ ถ้ามันถึงทางของจิตแล้วมันก็จะอิ่มเต็มที่นิ่งเต็มที่สบายเต็มที่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆเท่านั้นพูดได้แค่นี้เองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้จะช้าเร็วไม่เป็นไรแหละทําไปเถอดพอถึงเวลามันได้แล้วมันก็จ้าหรือเร็วมันก็เหมือนกันจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การกระทาอยู่ที่ความพยายาม ความพยายามอยู่ที่หนความสำเร็จอยู่ที่นั่น where where there is a will there is a way น <'s> ั่นจะจะลองให้ทางบ้านก็ถามเขามาบ้างนะทางนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะนจะฟังต่อก็ได้จะกลับก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้บังคับนี่ตามสบาย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 มันก็คือกิเลสใช่ไหมคะเพราะมันมีทั้งความชอบและไม่ชอบแล้ววิธีการปฏิบัติกับใจเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทาอย่างไรคะก็ให้ฟังหูไว้หูใครก็จะพูดอะไรเราจะชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ฟังไว้ก่อนฟังแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาดูอีกครั้งว่าสิ่งที่เขาพูดนี่จริงหรือไม่จริงแต่เวลาฟังนี่ก็อย่าอย่าไปบังอย่าไปปฏิเสธ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 แล้วเขาพูดมาในทางที่เราไม่ชอบเราก็เราไม่เชื่อเขาขึ้นมาทันทีทั้งๆที่มันอาจจะเป็นความจริงก็ได้หรือไม่เป็นความจริงก็ได้ฉะนั้นเวลาฟังต้องผัดฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางยังไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดอย่างไรฟังหูไวหูก่อนอย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นตูนมคำถามจากคุณพัคพร หนูไม่ได้ตั้งสัจจะว่าจะถือศีลแปดแต่ทําให้เป็นปกติประจําวันแต่มีข้อที่สที่แยกห้องนอนกับสามีบางทีต้องทําหน้าที่ภรรยาเพราะสามียังไม่อนุญาตให้บวชต่อให้ลูกโตก่อนจะถือว่าผิดศีลไหมคะและจะตัดภพตัดชาติได้บ้างไหมคะก็ถือว่ารักษาได้แค่เจดข้อก็แล้วกันข้อที่ข้อสามนี้ยังรักษาไม่ได้ก็ เ, เว้นไว้ก่อนไม่ไทําข้อสอบ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 ฟังแบบทับทีในหม้อแกงก็ฟังไปแต่ใจไปเลาะไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ได้ยินแต่เสียงเข้าหูซ้ายออกหูขวาอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบท no, ัพพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบดิ้นกับแกงก็ฟังแล้วพิจารณาตามเข้าใจเออเขาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฟังแล้วเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าฟังด้วยดิย้นกับแกงยานการฟังไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรืออยู่ที่สื่อ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 มันก็แบบขาดตอนไปมันก็จะได้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์บางคนบางคนที่เขาพูดว่าเขาชอบเปิดธรรมะแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยเขาคิดว่าได้บุญมากาจริงก็มันก็ถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานแล้วเปิดเพลงแล้วเปิดเรื่องการบ้านการเมืองฟังไปมาเปิดธรรมะมันก็ได้ประโยชน์มากกว่าแต่มันยังไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยท่านั้นเองเพราะใจยังไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมได้ อย่างเต็มร้อยนั่นเองเพราะใจจะต้องแบ่งไปทำงานครึ่งหนึ่งแบ่งมาฟังครึ่งหนึ่งมันก็เลยไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องหย่าทำงานแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วตั้งใจฟังเพลงอย่างเดียวส่วนสถานที่จะฟังผ่านวิทยุฟังที่วัดนี่มันก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยคงถามจากคุณสอนเพชร อยากทราบว่าความคิดกับปัญญาต่างกันอย่างไรครับคือความคิดนี่มันคิดไปได้หลายทางเลยคิดไปทางกิเลสก็ได้คิดไปทางปัญญาก็ได้คิดเป็นกลางกลางก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญญาไม่ใช่เป็นกิเลสก็ได้คิดกิเลสก็คิดไปคิดแล้วก็อยากได้คิดแล้วก็โกรธนี้เรียกว่าเป็นกิเลสถ้าคิดไปในทางธรรมคิดแล้วก็หายหายโกรธคิดแล้วก็หายโลภนี้เป็นธรรธรรม ส่วนคิดที่เป็นกลางๆคือคิดแล้วก็ไม่ได้เกิดความโลภแต่ก็ไม่ได้ทำลายความโลภที่มีอยู่เองนะ ต, ตอนนั้นคิดคิดไปแบบเช่นเราเรียนหนังสืออย่างเนี้ยคิดเรียนวิทยาศาสตร์นี่มันก็ไม่มีความโลภแต่มันก็ไม่ได้ไปกำจัดความโลภที่เรามีอยู่ก็เรียว่าเป็นความคิดกลางๆคาถ า, ถามจากคุณชาวิวนัน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 ขอมาเปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่แล้วค่อยขึ้นไปใหม่มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนาันทีองถามจากคุณปัทมาพรลูกมีปัญหาตอนนั่งดูลมหายใจแต่จะทำอย่างไรให้ไม่ตามลมหายใจเจ้าคะลูกมีปัญหามากๆพอร้องไม่ตามลมดูแค่ตรงกระทบลูกรู้สึกอึดอัดเจ้าคะ่ะถ้าไม่ถูกก็ลมก็ใช้พุโทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้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 จะภาพจะเพ่งดูภาพซากศพก็ได้ถ้าเราเป็นพวกนิติเวศนี้ยเราผ่าศพทุกวันเราเห็นมันอยู่ทุกวันเวลานั่งสมาธิเราใช้ภาพศพที่เราผ่านนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้อันนี้ก็เลือกเอาหรือบางคนเขาก็ใช้กรสินใช้สีก็ได้ถ้าเราทํางานเกี่ยวกับพวกกรา ฟ, ฟิกเยอะๆเนี่ยเกี่ยวกับการออกแบบใช้สีเยอะเงี่เราก็ลอง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 ตาใหม่ๆมันอาจจะอยู่อยู่ได้ไม่นานมันอาจจะตื่นเต้นดีใจแล้วมันก็เลยหยุดภาวนาไปหยุดดูลมไปหยุดพุดโทโธไปมันก็เลยหายไปก็ออกมาแต่ถ้าเราทำไปเรี่ยต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีประครับประคองใจเวลามันเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็ใช้สตินี้ประครับประคองคอยควบคุมอย่าให้มันไปคิดไปวิพากวิจารไปอะไรต่างๆ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 ด้ติดต่อกับเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องวุ่นวายเสียมากกว่าซูอยู่กับความสงบดีกว่าก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งกับใครคำ ถ, ถามจากคุณมีให้แค่เท่านี้กับเรียนถามพระอาจารย์จัดงานบวชกระถิงบวชขาสี่ลูกเป็นงานใหญ่เพื่ออุทิศให้ญาติผู้ใหญ่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยาติๆสั่งโทรสั่งให้ลงค่าสัต ข้าหมูสิบแปดตัววัวหนึ่งตัวปลาอีกมากมายเพื่อมาเป็นอาหารและแจกให้กับแขกที่มางานและเป็นพัตราอาหารพระสงฆแบบนี้จะได้บุญไหมครับกับการแลกชีวิตสัตว์และญาติผู้ที่ร่วงรับไปก็ได้บุญหรือเปล่าครับก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปบุญก็ได้จากการที่เราบริจากทรัพย์เพื่อที่จะซื้ออัฐบริขารเพื่อที่จะ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 พิจารณางานที่เรากำลังกลังทำอยู่ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้งวันยังก็ต้องมีวันจบอันนี้ก็เป็นการพิจารณาธรรมแหละแต่เวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณาต้องการพักจิตต้องการให้จิตหยุดคิดเพื่อจิตจะได้มีกำลังไวสำหรับต่อสู้กับความอยากเวลาออกมาคำถามจากคุณจิตรี เราจะมีวิธีการในการรักษาวาจาอย่างไรบ้างครับบางครั้งพูดไปแล้วรู้สึกว่าไม่น่าพูดเลยเราก็ต้องมีสติแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพูดนี่เรากําลังคิดอะไรอยู่ถ้าเรามีสติอยู่กับความคิดรู้ว่ากําลังจะพูดอะไรนี้เราเราก็จะสามารถป้องกันการพูดที่ไม่ดีได้ถ้รารู้ว่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ใช้สติหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วมันก็ไม่คิด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 ให้พูดสิ่งที่มีสาระประโยชน์นะอย่างนี้อย่าไปพูดโกรอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดเพ้อเจ้ออย่าไปพูดส่อเสียดเนี่ยคำพูดเหล่านี้ไม่ดีถ้าคิดจะพูดแบบนี้ก็หยุดมันเสียอย่าไปพูดให้นิ่งดีกว่าคำ ถ, ถามจากคุณเพียงแต่พิษมากหยุดไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับ พอไม่มีสติยังต้องมาฝึกสร้างสติต้องใช้พุทโธพุทโธอัดท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเราก็พุทโธพุทโธแบบอย่าปล่อยให้คิดเพ้อฝันเพ้อเจ้ออย่าให้คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิง่ส ง, ส ง, นงนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องพยายามหยุดความคิดเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้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 แต่ประโยชน์นี่มันอยู่ที่ว่าความขาดแครนใช่หไหมถ้ามันขาดแคลนแล้วเราทำสิ่งนี้มันก็จะได้ประโยชน์มากแต่ไปทําในสิ่งที่มันไม่ขาดแคล น, น, นช่วงนั้นมั น, มนขาดผ้ามากถ้าทถาถวายผ้าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปใส่บาตรถ้ายามเงินนี่ไปใส่บาตรก็มีคนใส่เยอะแยะอยู่แล้วแต่ไม่มีคนถวายผ้ากันก็เลยมีความเชื่อว่าพระเจ้าบอกว่าถวายผ้ากระถินเราจะได้บุญมาก อะไรไปเชื่อกันแบบนั้นก็ร อ, อกันถวายแค่กระถินอย่างเดียวกันแล้วก็แย่งจองกันเป็นย่าภาพกันควาจริงมันขเขก็ใจผิดคำ ถ, ถามจากคุณคจรเวลาเราไปทำบุญทุกวันพระแต่ไม่ได้ถือปิ่นโตไปวัดแต่จะเตรียมอาหารข้าวหวานข้าวสมในบาทจะแตกต่างจากการหิ้วปิ่นโตอย่างไรคะ ที่เขาหิ้วเป็นโตเพราะว่าพระท่านฉันสองมือมั้งจะบางทีถ้าใส่ไปในบาทนี่มันอาจจะไม่พอเพราะบาทมันเล็กเฮียก็เลยหิ้วเป็นโตไปเพื่อท่านจะได้เก็บไว้ฉันในมือหนึ่งตอนฉันเพนแต่บุญอย่างที่บอกนะว่ามันอยู่ที่ปริมาณที่เราทําเราทํามากก็ได้บุญมากแต่ประโยชน์ก็อยู่ที่ผู้รับว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการใส่บาตรอย่างไร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 อาหารที่สวายไปเนี่ยพระท่านฉันแล้ว้ะท้องไม่สบายยกตัวอย่างว่าท่านเกิดท้องเดินอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นบาปไม่อยู่ที่เจตนาถ้าตั้งใจอยากให้ท้องเดิน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าซื้อของมา <c oughs> หรือทำแล้วทำมาแล้วของมันเสียหรือมีเชื้อโรคติดอยู่เราโดยที่เราไม่รู้นี <c oughs> ่ฉันแล้วอาหารเป็นพิษนี่ ท่านบอกไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนที่ชั้นฉันอาหารมื้อสุดท้ายแล้วท่านก็ อ, อท่านก็สั่งไว้ว่าไปบอกก้แนว่าก็อย่าไปทุกกับเรื่องการที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้พุทธเจ้าและขี้พระธรรมให้พุทธเจ้าตายพุเจ้าบอกมันไม่เกี่ยวกัน อ, อ, อยู่ที่เรามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาบาปก็ต่อเมื่อเราตั้งใจอยากจะให้เขาท้องเสียแล้วก็ทําอาหารให้มันเสียอย่างนี้แล้วก็ให้เขากินอย่างนี้ ใส่ยาพิษเข้าไปอะแต่ว่าคนใส่บาตรนี่ก็ต้องดูไม่ใช่ไปซื้ออะไรตออะไรที่แบบนันก็ต้องควรจะก็ดูแบบปกตินะแบบเขาขายที่ไหนเราซื้อมากินได้แล้วก็ซื้อมาใส่บาตรได้ก็แล้วนี่มันมันคลองใจยอมเราต้องทําเองตลอดเลยพระทองและพวกที่ชอบทําบนแบบอขี้เหนียวก็คือรอให้ของ ของจะต้องเสียทั้งทิ้งก่อนแล้วก็ไปใส่บาตรติดต้นก้หม้ออะไรอ่างเงี้ยอ่าอนไรทำนองนั้นนะะแต่ทำเนียมนะคะที่เห็นตอนตั้งเด็กๆมาเนี่ยที่บ้านเขาเขาจะดีว่าเขาแกงแกงมื้อเย็นนะคะหม้อใหญ่นะคะก็ตัวใหญ่เนี่ยแมโครัวเขาจะตักอาไว้หม้อเนี่ยก่อนเลยนะะอแล้วก็จะเก็บไว้ เราช้ามาเขาจะอุ่นแล้วเขาจะสาาใส่ผักใส่อะไก็ถึงจะไปถวายไม่ใช่ก้นหม้อก้นหม้อ น, นไม่เอาเลยถ้าคนตักกระานเนี่ยเขาจะไม่ใช้เลยหม้อนั้นของของที่ถวายพระเนี่ยต้องเป็นจิเป็นเลิศที่สุดมันก็ทำให้เรามีความสุขไงการที่เราทำในสิ่งดีๆให้กับคนอื่ น, นถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุข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 แต่อย่างนี้มันเป็นกิเลส ข, ของพ่อไม่ใช่เป็นการกระทำผิด ข, ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่่นทำดีแต่พ่อมีกิเลสเลยไม่เลยไม่เห็นว่าดีกลับเสียใจแต่ตอนหลังก็มาได้รับประโยชน์หลังจากที่พระเจ้าได้ตัดสรตวแล้วก็มาโปรดเทศสอนตอนก่อนที่จะตายก็ได้บรรลุนการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็มีหลายวิธีถ้าท่านแก เราเลี้ยงดูท่านได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปเราปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมเป็นคนดีก็จะทําให้ไม่ให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงใช่หไหมอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณอีกแบบหนึ่งเ <Yes. S 1> ชื่อฟังคําสั่งสอนที่ดีก็เป็นการทดแทนบุญคุณ <Yes. S 1> แต่ถ้าเป็นคําสั่งสอนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อฟังก็ได้เช่นพ่อแม่สอนให้ทําบาป mm hmm. เราก็ไม่ต้องทําตาม mm hmm. การไม่ทําตามนี้กับเป็นการ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 แพีแต่รู้ว่าสมองนี่ก็เป็นเหมือนตัวที่คอยควบคุมการทํางานของร่างกายให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ให้กล้างกายทำงานอะไรต่างๆได้ส่วนใจเป็นเพียงแต่ผู้มาสั่งให้ร่างกายไปทำตามที่ใจต้องการทางกายวาจาสั่งให้พูดได้สั่งให้ทาทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทางให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาได้ อันนี้เป็นหน้าที่ของใจสั่งส่วนร่างกายนี้จะทำให้ตามองเห็นภาพได้มันก็จะต้องมีอะไรของมันในระบบของมันเนี่ยเพราบางทีประสาทมันเสียมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพได้ประสาทตาเสียอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถดูภาพได้หรือบางทีสมองไม่สามารถสั่งให้มือเคลื่อนไหวได้คนที่เป็นอมพะกอามาภาคนี้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 กักพักก็รู้ว่าตนเองลุกไปแต่พอเงยหน้าดูเห็นร่างตนเองน่งสมาธิอยู่ตกใจมากมงงแต่จิตก็กลับขอเมตตาอธิบายด้วยเจ้าค่ะก็จิตไม่มีสติมันก็เลยเพ้อเจอ้อเพ้อฝันไปคิดไปต่างๆนานาก็เหมือนฝันไปฝันในขณะที่นั่งพอลืมตายที่ถึงรู้ว่ายัางยังนั่งอยู่เหมือนเดิม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 ปูดหูแล้วเวลานั่งจะได้ไม่ได้ยินเสียงที่เขาทาคำถามจากคุณสอนเพชรลูกเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณถ้าสังขารดับเป็นเหตุให้อวิชชาดับแล้ววิญญาณดับเป็นเหตุให้อะไรดับครับของพวกนี้มันเกิดดับเกิดดับแล้ว มันดับแล้วเดี๋ยมันก็เกิดขึ้นใหม่มันเกิดดับก็ดับคงเผยเรื่อยๆไอตัวที่ต้องการให้ดับก็คือตัววิชาไอตัวนี้ดับแล้วดับได้อย่างถาวรถ้าดับอวิชาแล้วอวิชาก็คือความหลงมันก็จะไม่มาหลอกให้ใจคิดไปในทางความหลงสังขารมันก็จะคิดไปในทางความจรงิงตอนนี้ใจเราถูกความหลงหลอกให้คิดไปในทางความไม่จรงิงเป็นคิดไม่แก่คิดไม่เจ็บคิดไม่ตายเนี่ยเป็น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 มันก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขาราพอเราดับอวิชชาด้วยปัญญามันก็จะเป็นธรรมมาปัจจยาสังขาราก็คือความจริงธรรมะก็คือความจริงความจริงที่จะสอนใจว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่แหละ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 ออกอกไปปั๊บก็ลืม อ, อยแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่แล้วเน้นต้องคิดบ่อยๆแล้วก็ต้องไปทดสอบดูว่าคิดแล้วทําได้หรือเปล่าพอเจอความแก่ปั๊บก็เฉยๆไม่เป็นไรแก่ก็แก่เวลาเจอความเจ็บก็ไม่เป็นไรถึงเวลาถ้าต้องเจ็บก็เจ็บไปเวลาเจอความตายก็ไม่เป็นไรตายก็ตายถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมัน ต้องไปพิสูจน์ดูว่าความคิดของเรานี้เราทำตามความคิดที่เราคิดนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเราก็มัน่นใจว่าต่อไปนี้เราไม่กลัวล้วเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่ทุกขกับมันแล้วยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายหมดไหมยังเอาเลย เ, เดี๋ยวเดยสักกี่ข้อเอาสักสามข้อนี้ไหมะ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 ต้องเชื่อว่าทำบุญแล้วได้บุญถึงจะทำบุญกันถ้าทำบุญแล้วไม่ได้บุญใครอยากจะทำกันคำถามสุดท้ายจากคำถามจากคุณวชิลาพรเคยนั่งภาวนาแล้วจิตรวมจิตเย็นมากๆ ก, กายเบามีความสุขมากจนไม่อยากลุกนั่งแป๊บเดียวในความรู้สึกแต่จริงๆห้าชั่วโมงลืมไปทำงานเลยเจ้าค่ะตอนหลังอยากจิตรวมอีกแต่ทาไมทาไม่ได้เจ้าคะ เพราะมัไม่ได้รวมด้วยความอยากเนี่ยมันรวมด้วยการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธไปเนื้ออยู่กับนมไปให้มันหยุดความคิดหรือถ้าไม่มีอะไรเพ่งแต่มีสติหยุดความคิดได้มันก็รวมได้เหมือนกันงั้นอย่าไปอยากเพราะความอยากมันเป็นความคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องลือมอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปหวังผลที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต